คนที่สนใจพุทธศาสนาคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักอนาถปิณฑิกเศรษฐนะีเรียนมาตั้งแต่ชั้นปฐมแล้วนะคู่กับนางวิสาขานะเป็นยอดอุปถักนภะ์เป็นเอตทักฆะในเรื่องของการเป็นทา ย, ยกคู่กับนางวิสาขานะประวัติท่านน่าสนใจมาก ณตอนที่ท่านได้เพียงแค่ได้ฟังได้ยินคำว่าพระพุทธองค์ท่านก็สว่างว่าบขึ้นมาเลยเหมือนกับว่ามีความผูกพันกับพระพุทธองค์มาเป็นเวลานานเรื่องของเรื่องคือว่าท่านได้ไปไปเยี่ยมเพื่อนที่กรุงราชคฤห์แล้วก็เห็นเพื่อนกำลัง สารละวันทำอะไรวุ่นวายเป็นการใหญ่ก็ถามว่ามีงานอะไรเลยจะมีการเลี้ยงตอนรับพระราชาอยู่พระเจ้าพินพิสารหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนก็เป็นเศรษฐีที่รล่ำรลวยมากเพื่อนก็บอกว่าเปล่านะกาลังจะเตรียมงานเพื่ อ, อเลี้ยงพระเลี้ยงใครก็เลี้ยงพระพุทธเจ้านะกาลังจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสด็จมา กวาที่ยินชื่อพระเจ้าเท่านั้นแหละก็เหมือนกับว่าเคยได้ฟังคำนี้มานานก็เรียกว่าปิ้งขึ้นมาแล้วก็เลยอยู่ฟังอยู่พบพระพุทธองค์แล้วก็ฟังธรรมเพียงแค่ฟังธรรมครั้งแรกแก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน ก็เลยกลายเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธองค์มากถึงกับสร้างวัดวัดเชตวรรณประวัติของวัดนี้ น, นี่ก็เป็นตำนานนะเพราะว่าจะได้ที่มาก็ต้องเอาเงินเอาทองนี่มาปูปูที่ดินเลยนะปูได้เท่าไหร่ก็เจ้าของก็ขายเท่านั้นแหละ ้ท่านซื้อวัดใช้เงินมหาศาลนะแต่ว่าวัดนั้นก็ไม่ได้ตั้งชื่อท่านตั้งชื่อเจ้าของที่ดินเจ้าเชนี่เป็นเจ้าของที่ดินขายที่ให้อนาถินิกาแต่ก็ยังขนาดขายนะก็ยังอยากได้ชื่อก็เลยตั้งชื่อวัดเชต ว, วันอันนี้เรากาเห็นแก่ได้นะเพราะว่ า, าขายที่ให้เขาแล้วนี่ยังขอให้เขาตั้งชื่อ วัดตามชื่อของตัวทั้งในที่ตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้เสียสละอะไรเลยแม้แต่น้อยได้เงินมาที่ซ้ําแถมขายที่แพงแต่ท่านอาธิบดีกะก็ไม่ว่าอะไรไม่สนใจว่าจะให้วัดนี้ตั้งชื่อในนามของตนที่อยากจะเล่านะก็คือตอนที่ท่านป่วยป่วยหนักแล้วก็พระสารีบุตรมาแสดงธรรมนะพระสารีบุตรมาแสดงธรรม ก็แสดงเรื่องความไม่เที่ยงของขันห้านะว่ามันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ควรที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมันปรากฏว่าอนาต บ, บินทิการเนี่ยทราบซึ้งมากนะแล้วก็อุทานขึ้นมาว่าเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมาก ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังทำข้อนี้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าอานาถิปิณฑิกะเนี่ยก็อุปถัมภ์พระพุทธองค์มานานเป็นเวลาต้องเรียกว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบปีเห็นจะได้แต่ว่าไม่เคยได้ฟังทำเรื่องอความไม่เที่ยงของสังขารแล้วก็ ก็รู้สึกเสียดายนะนาเทมปิทิกล่าวบอกเสียดายมากว่ารับใช้แล้วว่าอุปถา พ, พระพุทธองค์มาเป็นเวลานานแต่ไม่เคยได้พักได้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งนี่เลยแล้วก็ขอร้องว่าต่อไปอยากจะให้พระสัตรีบุตรเนี่ยหรือว่าพระเถระท่านอื่นเนี่ยได้สอนธรรมที่ลึกซึ้งแก่คฤหัดบ้างนะเพราะว่าคฤหั์นี้ ก็อาจจะมีดวงตาเห็นธรรมนะพระไตรบุตรก้อนท่านก็ยอมรับว่าไม่ค่อยได้แสดงธรรมเรื่องที่ลึกซึ้งให้กับกระลือหัดเท่าไหร่ก็มีคนที่เขาสนใจเรื่องนี้เขาก็ไปศึกษานะว่าพระไตรลบุตรนี่ท่านไม่เคยแสดงธรรมที่ลึกซึ้งให้กับกระลือหัดเลยหรือก็ปกบว่าท่านก็เคยแสดงให้อยู่หลายครั้งนะคนหนึ่งก็ที่ได้ฟังธรรมจากท่านก็คือ นั ก, กูลปิดตาหรือนักหรือบิดาของนั ก, กูลนั้นได้ฟังธทรรมเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารก็พอได้ฟังจบก็ได้เป็นพระโสดาบันเลยอันนี้ก็ก็ไปคนมาว่าจริงๆภาษารูกบุตรท่านก็สอนทรรมที่ลึกซึ้งนี้กับคารวะเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่สอนแล้วเขาก็าไปตามดูว่าเอ้อ น, นาถาปิณฑิกาเนี่ย ท่านไม่เคยฟังธรรมลึกซึ้งนี่จากพระพุทธเจ้าเลยหรือนะถ้ามีคนก็ไปตามค้นนะแล้วก็ก็พบว่าเวลาอนัตบิติกะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือเวลาพระพุทธองค์แสดงธรรมเนี่ยกะกะอนัตบิติกะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอนิสงค์ของทานนะเป็นเรื่องอนิสงค์ของทานเป็นเรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์ การใช้ทรัพยนะ์หรือแม้แต่เวลาอนันตบิณฑิกาเนี่ยถามคําถามพระพุทธองค์ก็ถามเรื่องนี้แหละก็ถามเรื่องอนิสงค์ของทานนะก็ก็แสดงว่าเป็นความสนใจของอนันตบิณิกามากในเรื่องของของการให้ทานอยากจะรู้ว่าเออทานนี่มีอนิสงค์อย่างไรนะแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทางโลกนะคือเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องทางโลกเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลนะที่จริงพระพุทธองค์ก็เคยนะเคยเคยเคยเคยพูดเป็นในเตือนเป็นในนะว่าอันนับบ้นพฤติกรรเนี่ยเป็นผู้ที่สนใจให้ทานก็ดีแล้วแต่ว่าก็ควรจะได้สนใจเรื่องสุขจากสมาธิภาวนาด้วยแต่ก็ ดูเหมือนว่าท่านอนทัตปิฎิกะก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็ไปสนใจกับเรื่องทานเรื่องอนิสงค์ของทานเรื่องของการแบ่งทรัพย์ใช้ทรัพย์ต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลว่าพระพุทธองค์ก็เลยไม่ค่อยได้แสดงธรรมที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับใจรลักให้กับอนทัปิฎิกะเพราะนั้นพออนทัปิฎิกะเนี่ยดันได้ฟังธรรมจากพระไตรปิฎก เรื่องขันห้าขึ้นมานีท่านก็ประทับใจมากแล้วก็พูดนะด้วยความเสียดายว่ารับใช้หรืออุปถัมภ์พระพุทธองค์มาเป็นเวลานา น, านแต่ไม่เคยได้ฟังเลยนะที่จริงพระพุทธองค์ท่านก็ได้พูดอยู่นะแต่ว่าสันนิษฐานว่าท่านคงไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่ท่านเรียกว่าใจนี่หนักไปทางด้านเรื่องของการให้ทาน แต่ว่าพอป่วยหนักนี่ก็ถึงรู้ว่าโอ้มันมีธรรมมันมีธรรมที่ลึกซึ้งมากนะอันนี้ก็เป็นเป็นแง่คิดเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราซึ่งเป็นครุษฐาเป็นคารวานะเพราะว่าคารวาดส่วนใหญ่บ้านเรานี่ก็หนักไปด้านการให้ทานนะ เเรื่องการให้ทานเรื่องการทำบุญนี่เรียกว่าไม่ยัน่นเต็มที่เลยแต่ว่าพอจะพอจะดึงเข้ามาสู่การปฏิบัติสู่การทำสมาธิภาวนานี่ก็ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ที่ไหนที่ไหนก็อย่างนี้นะต่อมาไปอยู่ที่วัดอมรวดีที่ประเทศอังกฤษเมื่อสักยี่สิปีที่แล้วเนี่ย วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะมีคนไทยมาเยอะมากเลยนะมาเพื่ออะไรมาเพื่ อ, อถวายอาหารมาเช้าไม่ทันก็มาถวายตอนเพลนนะขุสารมาจากไกลามาจากลอนดอนบ้างมาจากเมืองบางทีาาาก็มาจากมาจากลิวบะพูมืองมันไกลนะพอมาถวายเสร็จ รับพรพอถึงเวลาบ่ายเนี่ยที่วัดเนี่ยจะมีการเทศบางทีหลวงพ่อสุเมทรท่านก็เทศเองบางทีท่านก็ให้พระผู้ใหญ่ท่านอื่นเทศขึ้นทำรร ม, มาศเลยนะปอกกัว่าคนไทยนี่ค่อยๆหายไปเลยคือฟังเทศนี่ไม่เอาด้วยซ้ํามาถวายทานเสร็จรับพรเสร็จไปเลยคนที่ฟังเทศเป็นใครก็เป็นฝรั่งเป็นฝรั่ง ก็มาฟังนะฝรัง่งนี่ก็ชอบมาวนเะสาร์อาทิตย์เพราะว่าชอบกินอาหารไทยถ้ารู้เลยว่ารู้เลยว่าถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์นี่ได้กินอาหารไทยอาหารไทยนี่มีชื่อเขาก็เขาก็มาตัวเปล่านะไม่ได้เอาอาหารอะไรมาก็มาลองกินอาหารไทยเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายก็นั่งฟังธรรมะฝรัง่งก็ชอบนะเรื่องการฟังธรรมเนี่ยรวมทั้งการปฏิบัติ ด, ด้วย เวลามีปฏิบัติที่วัดอมรา ด, ดีไม่ว่าจะเป็นสาวาททิศหรือว่าปฏิบัติเป็นอาทิตย์เป็นคอร์สเป็นพิคอร์สพิเศษนี่ฝรั่งมากันเยอะเพราะว่าไม่เสียค่าใช้ใจ่านยะเขาก็ชอบเลยเพราะว่าถ้าไปปฏิบัติที่อื่นนี่เสียค่าใช้ใจ่านยะถ้าไปปฏิบัติในประเทศอเมริกานี่เสียค่าใช้ใจ่ายเยอะเพราะว่าอะไรๆก็เป็นเงินเป็นทองนะม่ง้าอยู่ไม่ได้แต่วัดเนี่ยอยู่ได้ ถามว่าอยู่ได้เพราะอะไรก็เพราะเงินบริจาคเงินบริจาคของใครก็ส่วนใหญ่คนไทยนั่นแหละมีคนเสียลังกาบ้างฝรั่งไม่ค่อยบริจาคนะแต่ฝรั่งเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์ก็คือมาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเวลามีการปฏิบัติธรรมแบบอุกฤษเนี่ยหลวงพ่อสุเมธโท น, นันก็พยายามชักชวนนะเปิดโอกาสให้คนไทยมาปฏิบัติคนไทยไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่มีแต่ฝรั่งมาปฏิบัตินะ อันนี้ท่านก็นึกท่านก็บ่นเสียดายว่าคนไทยเร า, าเป็นอย่างนั้ น, นคือชอบแต่ให้ทานแต่เรื่องภาวนาก็ไม่ค่อยสนใจแม้แต่ฟังธรรมหรือการรักษาศีลก็อาจจะไม่ค่อยสนใจได้ซ้ำอันนี้อาจอาจะ เ, เป็นในหลายที่นะแต่ว่ า, ถ, าถ้าเทียบกับพมา่าลังกาแล้วเนี่ขาก็ยังเคร่งในเรื่องศีลมากกว่าเมืองไทย ในลังกาหนี่เขาเคร่งศีลเช่นศีลห้านี่เขาเขาจะเรียกว่าเข้มงวดกับเมืองไทยนะชาวประมงนี่ไม่มีใครชาวพุทธที่เป็นชาวประมงนี่มีน้อยมากอาชีพที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรืออาชีพที่เกี่ยวกับารจับสัตว์เนี่ยเช่นประมงไม่มีชาวพุทธเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นอาชีพของชาวมุสลิมหรือว่าชาวฮินดูฮินดูก็ไม่ค่อยทําเท่าไหร่ นะเพราะก็ถือเรื่องการฆ่าสัตว์มากนะแต่ว่าไอ้แบบนี้ในเมืองไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้เรื่องการปฏิเรื่องการให้ทานเนี่ยญาติโยมเครื่องทหารก็ใส่ใจในเรื่องนี้มากนะแต่ว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องการเจริญภาวนาการทําสมาธิภาวนาการทำวิปัสสนา ทังทั้งที่มันก็เป็นมันเป็นกิจของชาวพุทธอย่างหนึ่งนะงนี้มีความเข้าใจมาตลอดว่าชาวพุทธเราโดยเพาราะคฤหันต์นี่ก็ให้ทานส่วนเรื่องการทำภาวนาก็เป็นเรื่องของพระไปแล้วความคิดนิมก็ปลูกฝังกันมานานนะอันนี้ก็จะ ที่จิมก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละเพราะว่าท่านอนาติปินดิกานีก็ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ท่านก็มาตรนหนักนะในตอนท้ายว่าโอ้ให้เรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งนี่สำคัญเหมือนกันแล้วพระพุทธองค์ท่านก็ย้ำนะว่าพูดถึงอา น, นิสงส์งของทานแล้วเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับการาทำสมาธิภาวนาดยเพราะ การฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั้นท่านเคยบอกด้วยซ้าว่าการเจริญการเจริญอันที่จะสัญญาเนี่ยเจริญนิสัญญาคือการพิจรารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงมีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานให้กับพระอรหันต์ถึงร้อยลูกหรือว่ามีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานแก สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานลองคิดดูซิว่าการที่คนเราเนี่ยทีมีโอกาสถวายท่าให้กับพระอาหารหันต์ถึงร้อยลูกหรือว่าถวายอาหารกับพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยมันยากแค่ไหนแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าเทียบกับการทํากรรมฐานหรือเพราะการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขาร จเจริญอันนี้จะสัญญาคือการพิจารณาควาความไม่เที่ยงนะซึ่งมันทําได้หลายอย่างนะไม่จําเป็นต้องหลับตาดูลมหายใจอาการที่เราจเจริญสติเดินจองกรมสร้างจังหวะนะมันก็เห็นความไม่เที่ยงนะของสังขารเดือเพราะฝ่ายนามธรรมาเนี่ยก็เห็นได้นะไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นอ า, อารมณ์ความคิด ให้ลองพิจารณาดูนะว่ามันมันคงอยู่มันยัง่งยืนแค่ไหนถ้าเราเจริญสติเป็นเรียกว่าดูดูกายดูใจนะดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนิดเียนะมันก็จะเห็นนะความไม่เที่ยงของอสังขารทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมฝ่ายรูปธรรมมันก็มันก็ชัดนะเวลาเรานั่งเนี่ย เวลาเราหายใจเงี้ยมันก็มีเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเวลาเรานั่งมันก็ต้องมีขยับขยืน่นแม้ว่าอาจจะนั่งในบางท่าได้นานแต่มันก็อดขยับขยื่นไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะตัวทุกข์ตัวทุกข์เนี่ยมันมันบีบคั้นให้เราต้องขยับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนท่าไหนจะไปคิดว่าท่านั้นสบายนะเพราะว่าพออยู่ในท่านั้นสักพักมันก็เมืออ่อยแล้ว เช่นเรานั่งพับเพียบเมื่อยแล้วก็นั่งขัดสมาธิพอนั่งคัดสมาธิไม่นานก็เมื่อยก็ต้องยืดขาออกแลนมีใครบางที่จะยืดขาได้นานเกินชั่วโมงบ้งก็เมื่อยก็เละถิงเสาพอปิ้งเสาสักพักอา้าวเมื่อยก็เละนอนไม่มีใครนอนได้เป็นวันๆนะมันก็เมื่อยอีกเหมือนกันปวดเมื่อยคือไม่ว่าจะนั่งในท่าไหนหรือนอนในท่าไหนก็ตามหรื อ, อยืนในอิริยาบทไหนก็ตาม มันต้องเปลี่ยนมันต้องมันต้องเลื่อนมันต้องขยับเพราะว่าตัวทุกข์เนี่ยมันจะบีบคั้นทุกข์แปลว่าอะไรทุกข์คือความบีบคั้นความบีบคั้นที่ทําให้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นีมันเกิดขึ้นกับทุกอย่างนะไม่ว่าเป็นรูปธรรมนามไม่ว่าสิ่งมีชีวิหรือสิ่งไม่มีชีวิตในเราพิจารณาเพียงแค่เราดูไม่ต้องพิจารณานะก็พอแค่ดูเนี่ยมันก็จะเห็นความ แปลเปลี่ยนความไม่เที่ยงโดยเพราะในจิตใจอารมณ์ความคิดความรู้สึกนี่มันก็แปลเปลี่ยนไปเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานั้นถ้าเราถ้าเราดูด้วยใจที่เป็นกลางนะมันก็จะเห็นความเกิดดับแต่ถ้าเราดูไม่เป็นนะใจมันก็จะไปบังคับหรือไม่ก็ไปไปยึดเหนี่ยวเอาไว้ คิดเรื่องดีๆคิดเรื่องความหลังที่หวานชื่นก็อยากจะไปเหนียวรั้งให้มันอยู่ไปนานๆ น, น, นะหรือว่ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจก็ไปกดข่มมันก็ไม่เห็นมันดับไม่เห็นมันแปลเปลี่ยนไปถ้าเพียงแค่ดูเฉยๆเนี่ยมันก็จะเห็นได้นะเห็นถึงความแปลเปลี่ยนแต่พอเรา ดูไม่เป็นเรามีความยึดความอยากมันก็จะไปทำตามความยึดความอยากนั้นก็เลยไม่สามารถเห็นแสงสิ่งที่เป็นจริงได้การเจริญสติหรือการทำวิปัสสนาเนี่ยมันจะว่าไปมันก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็เพียงแต่ดูเฉยเฉยไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังนะโกรธก็ดูมัน เกลียดก็ดูมันนหะงุดหงิดก็ดูมันนะแต่ถ้าเราอยากจะทําเรียกว่าทำสมาธิเราอยากได้ความสงบเห็นความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นทีเดียวนะเพราะว่าจะไปกดข่มผักสายมันคิดแต่จะไปเล่นงานอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเห็นมันตามที่เป็นจริงได้ นิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูมันนะมันก็มารบกวนจิตใจนะทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความพรา ม, มัวได้พระพุทธองค์ท่านเปรียบนิวรณ์เนี่ยทั้งหประการเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถจะเห็นตัวเองอย่างที่เป็นจริงได้ อย่างเช่นท่านเปลี่ยนเหมือนกับน้ำนะน้ำสีสีเนี่ยที่มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยมันไม่สามารถจะทาถ้าเรามองถ้าเราส่องมองหรือว่าส่องไปที่น้ำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเห็นหน้าตัวเองได้ชัดเจนได้อันนี้ท่านเปลี่ยนเหมือนกับการมาฉันทะะการมาฉันทะก็ถ้ามันเกิดขึ้นในใจก็ทำให้ เหมือนกับน้ำที่มันมีสีต่างๆมากมายเรามองก็ไม่เห็นหน้าตัวเงชัดเจนหรือว่าปฏิฆะหรือว่าพยาบาทเนี่ยท่านก็เปรี่ยนว่าน้ำเดือดนะลองนึกดูน้ำเดือดเดือดเนี่ยถ้าเรามองไปที่น้านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะเห็นหน้าตัวเงชัดเจนได้ทังงวงนอนเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเหมือนกับน้ำที่มีจอกแหนมีจอกแหน่มากเนี่ย เรามองไปที่น้ํานั้นเนี่ยมันก็ไม่เห็นตัวเองชัดเจนอันนี้ก็เป็นเพราะถีนมิทธะหรือว่าถ้ามีความลังเลสงสัยเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเหมือนกับน้ําที่มันขุ่นเป็นโคลนตมเนี่ยมองไปก็มองไม่เห็นนะไม่เห็นหน้าตัวเองชัดเจนนะหรือความฟุ้งซ่านอุทธจักรกุจจะเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเหมือนน้ําที่มันโดนลมพัด มันเป็นละลอกคลื่นเป็นริ้วคลื่นเนี่ยเวลาเราจะส่องดูนะมันก็ดูไม่ชัดนะเห็นหน้าตัวเองไม่ชัดไอนะ้ตัวนิวร์เนี่ยนะมันมันก็เป็นตัวอุปสรรคในการที่ทําให้เราได้เห็นเห็นใจของตัวเองแต่ถ้าเราดูนิวร์นั้นนะดูนิวร์นั้นเหตุมันเกิดขึ้นนะดูมันไปไม่ต้องทําอะไรกับมันเห็นความง่วงเกิดขึ้นดูมันไปไม่มีอาการเลือกทิรละมาที่ชัง มันก็จะเห็นความดับของมันได้แลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติโดยคิดว่าจะต้องไม่มีนิวรัเกิดขึ้นนิวรัเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันดูมันไป้าการปฏิบัติมันก็ดูอย่างเดียวนะแล้วถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงนะของรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราดูเป็นเนี่ยนะเวลาเกิดเหตุ เกิดความสูญเสียขึ้นมาเช่นของหายคนขโมยเงินไปมันก็กลายเป็นของดีนะมันก็ทำให้เราเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงจริงนะไม่มีของใดที่จะอยู่กับเราไปได้นานคนปกติเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เงินหายของหายหรือว่ามันเสื่อมสภาพไปก็เสียใจบางทีก็โกรธ โทษคนโน้นโทษคนนี้อันนี้เราขาดโอกาสขาดโอกาสที่จะเห็นหรือว่าเปิดใจรับธรรมะจากสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นกับเราแม้แต่เรื่องที่ไม่ดีเช่นความพัดพากสูญเสียมันก็สอนธรรมแก่เราได้สอนธรรมเรื่องอ น, นิจจังนี่ข้อแรกเลยนะสอนหเหนวีมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลย สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็จากไปงั้ถ้าเราไม่รู้จักโชวโอกาสนะเราก็จะทุกข์ทุกข์กับความสูญเสียทักก่วความพัดพ่านี่จริงๆแล้วเนี่ยไอการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันทำได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาของหายเวลาเงินหายเราก็ปฏิบัติธรรมได้ ก็คือได้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้แล้วมองมาที่ใจลองเห็นไหมใจที่มันเสียใจใจที่กระเพื่อมใจที่หดหูหรือว่าเครียดแค้นเวลาเกิดเหตุเหล่านี้อันนี้มันก็เป็นวัตถุดิบนะในการที่เราจะได้ดูได้เห็นใจของเร า, าการปฏิบัติเนี่ย อะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ทาให้เราได้เห็นธรรมนะได้เห็นไตรลัไม่ต้องไปหมัวแต่หลับตาหรือว่าไปหลีกเล่นนะอยู่ในที่เงีเงยบๆถ้านะถ้าเรามองให้เป็นนะมีสติทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ ข้าวของทรัพย์สมบัติของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจของเรานะมันก็ล้วนแต่สอนทำมาใ้กับเราได้ทั้งนั้นอันนี้เราเป็นการถ้าเรามองเป็นมันก็เป็นการเจริญอันนี้จะสัญญาได้เหมือนกันนะคือเห็นความไม่อคัน5นี่มันไม่ใช่ประกอบก็บเป็นร่างกายของเราอย่างเดียวนะรูปประคันที่อยู่นอกตัว สมบัติเข้าของต่างๆที่อยู่นอกตัวมันก็เป็นรูปประคันนันหนึ่งนะที่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราต้องฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตประจําวันให้เป็นการปฏิบัติธรรมใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราให้เป็นวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการสอนธรรมให้กับเรา การประชานการใช้ชีพก็เป็นการปฏิบัติธรรมในเวลาเดียวกันถ้าทำงานก็เหมือนกันนะถ้าาจารยพุทธทาเขาบอกาการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าเวลาทำงานเนี่ยมันก็ได้เห็นเห็นความไม่เที่ยงในงานนั้นเห็นความไม่เที่ยงในใจของเราเห็นโทษของความยึดติดถือมัน่นเวลายึดติดถือมันม่นวันจะเป็นงานของเรานะเราก็จะทำด้วยความทุกข์ หรือเวลาอยากจะให้งานมาเสร็จเร็วๆยึดติดถือมั่นจะให้มันต้องออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่เราต้องการมันก็ทุกได้เพราะว่ามันจะไม่ยอมออกมาอย่างที่เรานึกอย่างที่เราคาดหวังเสมอไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะกับชีวิตของเราทุอย่างที่เกิดขึ้นกับงานการของเรานะมันก็ล่วนแต่เป็น เครื่องมือเป็นอุปกรณ์สอนรมได้ทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมโดยเพราะการเจริญสติการทำวิปัสสนาเนี่ยมันจึงเป็นการปฏิบัติที่สากลไม่ใช่ว่าจะต้องมาเข้าวัดไม่ใช่ว่าจะต้องเก็บตัวอยู่ในห้องพระแต่ถ้าเราต้องการความสงบ เช่นต้องการให้ใจมันสงบนิ่งเป็นสมาธิหรือว่าต้องการจะทำำําสมถกรรมฐานาตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเลือกที่เลือกสถานที่ที่ทำให้สงบอะไรที่ทําให้จิตใจไม่สงบอะไรที่ทําให้เกิดความหงุดหงิดก็ไม่เอาต้องหนีมัน การปฏิบัติแบบนี้บางทีก็ต้องก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องจูจีนะเพราะว่าอะไรที่จะมาทำให้จิตกระเพื่อมอะไรที่จะมารบกวนทางตาหูจมูกลิ้น ก, กายก็ต้องหนีนะต้องกำจัดออกไปมันก็ทำให้การปฏิบัติกลายเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติด้วยการเจริญสตินะแล้วก็เอาทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ในการ ทำวิปัสสนานะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราก็ล้วนแต่เป็นของดีทั้งนั้นโกรธก็ดนะีถ้าเราเห็นความโกรธหรือรู้ความโกรธหงุดหงิดก็ดีถ้าเราเห็นความหงุดหงิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสงบแล้วเราไม่เห็นความสงบเราจมหายไปในความสงบดิ่งไปในความสงบอันนั้นก็กลับเป็นไม่ดีนะอันดีหรือไม่ดีนี่ไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร นะสําคัญมากนะมันก็มือควบความสุขความทุกข์สุขหรือทุกข์ไม่ได้ขึ้นหรือว่าอะไรเกิด ข, ขึ้นกับเราแต่อยู่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเรามองมันอย่างไรนะฝนตกแดดออกนะแต่ใจไม่ทุกข์ก็ไดนะ้ถ้าเราวางใจไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราวางใจไม่เป็นแม้จะได้โชคได้ลาบก็มีความทุกขนะ์ทุกเพราะว่าได้ไม่ ได้ยังไม่ได้ไม่พอได้ไม่ถึงใจทุกข์เพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นและเขามีมากกว่าเราทุกอย่างอยู่ที่ใจนะไม่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นถ้าเราวางใจเป็นถ้าเราถือว่ามันเป็ น, ปนอุปกรณ์สอนธรรมถือว่าเป็นอุบายในการเจริญสตินะก็ดีทั้งนั้นเอาเราก็พูดกันเท่านี้คำนี้